วเชงรายเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนะนี้ พรอเราทุกคนตอนนี้พอสวมชุดขาวแล้วี่พวกเราจะมีชื่อว่าธรรมจารีนะธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติธรรมใครไม่เคยมาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการเลยยกมือสินี่เป็นครั้งแรกยกมือสินี่คือเกนะนะ้าสิบเปอร์เซ็นนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นใครที่เคยมาแล้วมีอยู่ไม่กี่ท่านเองก็ดีมากพระอาจารย์จะได้ ปูพื้นให้หมก่การปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นขาดธรรมะไม่ได้ขาดธรรมะเมื่อไหร่คนเราจะตกตามทันทีสิ่งซึ่งแยกคนไม่ปนสัตว์ก็คือธรรมะเพราะคนกับสัตว์นั้นเกิดมา มีสัญชตาตญาณพื้นฐานเหมือนกันกินกามหลับกลัวภยัยคนก็มีสัตว์ก็มีนะรักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายคนก็มีสัตว์ก็มีอะไรทำให้คนและสัตว์ต่างกันธรรมะ เพราะธรรมะนี่จะทำให้คนรู้จักสอนใจตัวเองจะทำให้คนรู้จักห่างห้ามใจตัวเองถ้าไม่มีธรรมะแล้วนี่คนบางครั้งถ้าได้ตกต่ำแล้วแย่ยิ่งกว่าศัก์แต่ถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยบางทีไปสูงก็สูงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงเช่นเกิดมาเป็นปุถุชนพัฒนาไปกลายเป็นอริยะชนก็ได้ เกิดมาเป็นลูกชาวบ้านเป็นหลานชาวเมืองแท้ๆเลยตายจากโลกนี้ไปในฐานะพระอระหันต์ซึ่งผู้คนกราบไหว้บูชาทั่วบ้านทั่วเมืองเกิดมาในป่าในดงในดอยตายจากโลกนี้ไปในฐานะมหาราชผู้สร้างคุณบุญารให้แก่อณาจักรออหรือเกิดมาในตระกูลที่ต่ำต้อยด้อยค่าถูกกระทำเย่ยมยี ตตายจากไปในฐานะรัฐบุรุษก็ได้อะไรเล่าทําให้คนมันต่างกันคําตอบคือธรรมะแล้วถ้าถามต่อไปว่าอะไรคือธรรมะล่ะคําตอบก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตธรรมะคือศิลปะในการใช้ชีวิตคนใช้ชีวิตไม่เป็นเน่ถูกกิเลสปั่นหัวมันปั่นให้อยากก็วิ่งตามมันไปมันปั่นให้กโกรธ ก็วิงตามมันไปมันปั่นให้หลงก็วิ่งตามมันไปมันปั่นให้ริษยาก็เวิ่งตามมันไ ป, มน ป, นมมน ไ, ปไม่รู้ตัวนะคนที่ดูกิเลสปั่นหัวแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปทุกข์ในเรื่องซึ่งบางทีไม่จําเป็นต้องทุกข์ในเรื่องซึ่งผู้รู้ท่านพ้นแล้วเนะ่ยท่านไม่ทุกข์เลยคนไม่มีธรรมะไปทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้นี่เรียกว่าทุกกินเปล่า ทุกกินเปล่าคือถ้าคุณรู้คุณไม่ต้องทุกข์แต่ที่คุณไปทุกข์แทบล้มแทบตายเนะี่ยเพราะคุณไม่รู้เรื่องเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับลูกชายมหาเศรษฐีแล้วก็มีลูกคนแรกปรากฏว่าลูกตายเพราะลูกตายเท่านั้นแหละร้องโวมร้องไห้ปิมว่าจะขาดใจไม่ยอมเผาลูกไม่ยอมรับความจริงอุ้มลูกร้องห่ o ร้องไห้ สัตว์เซวันเอจอนไปจากบ้านของตัวเองเตลิดเปิดเปิงออกไปบ้านโน้นสู่บ้านนี้บ้านนี้สู่บ้านนั้นตำบนนั้นสู่ตำบนนี้พระโอรสพระเหินร้องหยหวร้องไห้ไปจนกระทั่งว่าสติสมปรดีนั้นขาดหายกลายเป็นคนบ้านึกจะร้องไห้ก็ร้องนึกจะหัวเราะก็หัวเราะในอ้อมแขนก็มีลูกเน่าๆของตัวเองอยู่ เดินสัดเสพเนจนไปอย่างนั้นจนมีผู้ชายคนหนึ่งมาเจอเข้าผู้ชายคนนี้สมแพทก็เลยบอกว่าหนูมีคนคนหนึ่งนะชุบชีวิตให้ลูกหนูได้สนใจไหมจริงหรือทำไมจะไม่สนใจล่ะแล้วคนคนนั้นอยู่ไหนมาลุงจะพาไป คุณลุงก็จุงแขนเลยเดินเข้าวัดไปหาพระพุทธเจ้าไปอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็ก้มลงกราบเขาลือกันว่าพระองค์เนี่ยชุบชีวิตคนตายได้หรือพุทธเจ้าก็บอกได้ถ้างั้นชุบให้หน่อยสิพพุทธเจ้าก็บอกไม่มีปัญหาแต่มีกติกานิดหน่อยหนู ต้องไปหามาเล็ดพันผากกาศจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาถ้าได้นะเราจะปรุงยาให้เลยจะชุบลูกโยมให้ฝืนมันวันนี้ก็ยังได้เอาไหมละ่ะเอาเจ้าค่ะเอาถ้าเอาก็ไปหามาอุ้มลูกเน่าๆออกจากวัดของพระพุทธเจ้าไปเจอบ้านหลังแรกก็ไปตะโกนถาม บ้านหลังนี้มีเมล็ดพันธุ์ผากกาดไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่ามีคําถามที่หนึ่งผ่านละพอถามคําถามที่สองว่าเอา้าแล้วเคยมีคนตายไหมเจ้าของบ้านบอกกระเพาไปเมื่อวานไม่ผ่านบ้านหลังที่หนึ่งไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้คือเมล็ดพันุผากกาดมีแต่กลับมีคนตาย ก็ไปหลังที่สองมาล็ดพันผกาศมีไหมมีแล้วมีคนตายไหมมีสิตายเมื่อไหร่เดือนที่แล้วอสองหลังก็ไม่ผานด็กไปหลังที่สามมีมล็ดพันผกาดไหมมีแล้วมีคนตายไหมมีตายเมื่อไหร่ต้นปีชักคิดล้วเริ่มคิดล้วหลังที่สี มีเมล็ดพันธุ์พัการไหมมีมีคนตายไหมมีเมื่มอไรสองปีที่แล้วอะไรทำไมมันตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองถามต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปไม่ถึงร้อยหลังคาตอบเหมือนกันหมดเลยเธอเริม่มรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ามันตายกันทั้งบ้านทั้งเมือง ถ้ามันตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้ลูกเราตายก็ไม่แปลกสิเริ่มเกิดการคิดนี่คือวิธีการสอนที่เรียกว่า learning by doing นะดู Do it yourself <c oughs> ใช่ไหมของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธองค์นั้นสุดยอดนักสอนเลยคนบ้ามาเนี่เอาวิชาการไปให้เนมีรู้เรื่องหรอกใช่ไหมต้องลงมือทำ เล ARNING BY DOING หน่อยเธอก็ไล่ถามไปถามไปถามไปก็เกิดกันตื่นรู้ในน้อยขึ้นมานะตื่นรู้ในน้อยทีละนิดทีละนิดประพิมพ์ประพายประพิมพ์ประพายขึ้นมาว่าเออเนาะลูกคนอื่นหลานคนอื่นสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นเขาก็ตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองพ่อคนอื่นแม่คนอื่ น, น, นปู่ยา่าตายายของคนอื่นก็ตายกันอยู่โครมโคลม แล้วลูกเรานี่มันวิเศษมาจากไหนมันถึงตายไม่ได้พอคิดขึ้นมาได้อย่างนี้นะเดินผ่านป่าช้าแห่งหนึ่งโยนลูกทิ้งเลยเดินตัวเปลิวกลับวัดไปหาพระพุทธเจ้าตอนเย็นเหมือนนักวิจัยกลับจากการลงพักสนามได้กล่าวพระพุทธเจ้าหน้านี้สดชื่นเลยนะสดชื่นยิ้มแฉ่งพระพุทธเจ้าถามว่าไง เอาลูกไปไว้ไหนอ๋อลูกเหรอคะทิ้งไปแล้วคะ่ะเอ้าทำไมทิ้งซะละ่ะหนูอะมันไม่ประลาดหรอกเขาตายกันทั้งบ้านทั้งเมืองหนูก็เลยเข้าใจแล้วไม่โง่ไม่เอามาันละมาเลี้พันปักกาศนีิไม่ต้องชุบแล้วลูกหนูไม่ใช่คนวิเศษหรอกตัวหนูก็จะตายด้วยฉะนั้นไม่ต้องชุบแล้วเข้าใจแล้ว ตายคือธรรมดาพอพูดอย่างนี้ปั๊ไปพุทธองค์สาธุนะมีปัญญาพอที่พระพุทธเจ้าจะสาธุให้นะแล้วก็บวชเลยปฏิบัติธรรมไม่ถึงหนึ่งเดือนบนรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ฝ่ายหญิงฝ่ายภิกษุณีที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องมากผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะไม่มีพื้นความผู้อะไรเลย พอได้สว่างกระจ่างในธรรมเท่านั้นกลายเป็นนักปราดขึ้นมาเห็นแล้วยังธรรมะมันเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้ฉะนั้นเราทุกคนก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นบางครั้งก็มืดไปบ้างบางครั้งก็หลงไปบ้างและบางครั้งก็เผลอทุกข์แทบล้มประดาตายแต่คนใดที่มีทุกข์ก็คนนั้นแหละที่มีสุขได้คนใดที่มืดได้คนนั้นแหละที่สว่างได้ คนใดที่หลงได้กว่าคนนั้นแหละที่หายหลงได้คนใดที่ร้อนได้กว่าคนนั้นแหละที่เย็นได้ฉะนั้นศักยภาพที่จะหายทุกตรมข่มไม่ศักยภาพที่จะหายจากโลภโลลกรธหลงศักยภาพที่จะสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจถ้ามีอยู่ในผู้หญิงชาวบ้านคนนั้นฉนันใดก็มีอยู่ในเราทุกคนฉันนั้นประเด็นคือ เราต้องหาหนทางไปหาสิ่งนั้นให้พบและสิ่งนั้นก็คือธรรมะพระพุทธองค์นั้นเปรียบเสมือนผู้ค้นพบแล้วทรงเขียนแผนที่ไว้แผนที่นั้นเปรียบเสมือนธรรมะขณะเดียวกันก็ได้ทรงฝึกมรรคุเทศไว้กลุ่มหนึ่งให้ทําหน้าที่แนะนําพาคนไปยังจุดที่องค์ค้นพบสิ่งสําคัญ นั่นก็คือสังฆะหรือพระสงฆ์ฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเชื่อมโยงกันเรามาปฏิบัติธรรมเราจึงต้องหาธรรมให้พบพระพุทธองค์นั้นทรงล่วงไปแล้วในทางประวัติศาสต ร, ร์แต่ในทางคุณสมบัติยังอยู่ทุกประการคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบกบาลพระธรรมนั้นยังคงอยู่และไม่ไปไหนถ้าเราใส่ใจเราก็จะพบ พระสง์ก็ยังคงมีอยู่และมีอยู่มากมายด้วยถ้าเราตาดีหรือตามีแววเราก็จะรู้ว่าพระดีมีอยู่ทุกคนทุกแห่งฉะนั้นพระธรรมยังคงมีอยู่ปัญหาก็คือเราใช่ใจไหมถ้าเราใส่ใจธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนมีพระรูปหนึ่งไม่ชอบหลวงปู่มั่น เป็นพระฝ่ายปกครองหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระกรรมฐานคนนิยมหลวงปู่มั่นมากฝ่ายปกครองไม่ชอบใจเกินหน้าเกินตาไปหน่อยวันหนึ่งเรียกหลวงปู่มั่นเข้าไปคุยหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่ได้เรียนสงอะไรทำไมจึงมีความรู้ความเข้าใจธรรมะขั้นลึกหลวงปู่ก็บอกว่าธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหน ธรรมะมีอยู่ทุกแห่งคนเหมือนเส้นดินเส้นญ้านั่นแหละถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตถ้าเราเป็นคนตามีแววเราก็จะพบเห็นไหมเป็นคําตอบที่ง่ายไหมมันง่ายมากนะง่ายมากธรรมะอยู่ในตัวเราและรายล้อมตัวเราอยู่แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะมองหาเราก็จะไม่เห็น นักเรียตะวันตกจึงบอกว่าถ้าเราหาเราก็จะเห็นมีอยู่วันหนึ่งตอนที่อาตมาภาพอยู่กรุงเทพประมาณตีสามอาตมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ําเดินลงจากบันไดกุฏิแล้วก็เหยียมหางแมวเข้าแมวก็ร้องอาตมาก็ตกใจแมวก็คงตกใจพอเหยียบปั๊บ แมวร้องกระโดดพุ้งมาเลยเท่านั้นเองนะเราโกรธมากความโกรธเดือดปุดๆขึ้นมาเข้าไปในห้องน้ำํำล้างหน้าล้างตาแล้วกลับออกมาลืมไปเลยว่าเราลงมาห้องน้ําเพื่ออะไร <c oughs> เราจะลงมาปัจฉพ ะ, ะแต่โกรธแมวเราเหยียบหางแมวเราลืมไปว่าฉันจะลงมาทําอะไร รู้สึกตัวไอทีนึงขึ้นมาบนกุฏิแล้วเอา้านี่ฉันมันยังไม่ได้ทำทัวร์รลศลงไปใหม่ถามว่าโกรธอะไรโกรธแมวว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโกรธมากโกรธว่ามันมาขวางทางเราอัตาเรามันใหญ่ครับกุฏิลงใหม่ครั้งหนึ่งล้างหน้าล้างตาทําธุร์เสร็จเดินขึ้นไปจู่ๆนะจิตมันก็สว่างโพล่งขึ้นมาว่า เธอกรดแมวทำไมเจินหนึ่งมันก็บอกว่าเราเป็นเจ้าของกุฏิแมวมันมาขออยู่แล้วมันไม่หลบเราอีกเจียนหนึ่งมันก็บอกว่าจริงหรือเธอเป็นเจ้าของกุฏิกุฏินี้ในหลวงรัชการที่ห้าท่านสร้างสร้างแล้วยกให้แก่สงทั้งปวงม่ใจ่สงรูปใดรูปหนึ่งท่านสร้างยังไม่ใช่ของท่านเลยนะ ท่านถวายเสร็จก็เป็นของศาสนาและเธอนี่จอมาจากที่ไหนถึงมาอยู่นี่เธอเนี่ยก็มาอาศัยเขาอยู่แมวเนี่ยก็มาจากไหนก็ไม่รู้ก็มาอาศัยอยู่แล้วเวลาเขานอนเขาก็นอนอย่างอ่อนน้อมทำตนที่สุดนอนแอบอยู่ข้างบันไดจิตหนึ่งมันก็โล่ขึ้นมาว่าเธอกับแมวก็เหมือนกันไม่มีใครเป็นเจ้าของกุฏิพรเนจรทั้งคู่ โอโหพอจิตมันสอนจิตอย่างนี้นะสว่างโพลงเลยหลุดพุ่ออกไปเลยนะความโกรธที่มันทำให้เราหนักอึ้งไปหมดนนะ่ะหลุดพุออกไปแล้วสว่างโพลงโล่งเหมือนแหวกแมกเห็นตะวันสบายจิตสบายใจมางทีนี่อาตมา ก, กลับออกจากห้องอิีติ น, นตามหาแมวจะขอบคุณมันมันสอนธรรมะเรานะสอนดีเหลือเกินเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกแห่งหนั้ย เล่าเรื่องนี้ทําให้นึกถึงสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นที่รักของเราวันหนึ่งเทศกิจจะไปจับหมาที่วัดบวรนิเวศไปไล่จับหมามันจะมามีหมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นหมาที่เรือนเวลาพระองค์ท่านเสด็จดําเนินออกมาเดินตรวจวัดมันจะวิ่งล้อมหน้าล้อมหลัง ท, ทําทีเหมือนมาเฝ้าแห่ท่านท่านก็ปลวดมันมาก ก็มีคนไปบอกเทสกิตม่าไม่ปลอดภัยสําหรับพระองค์ท่านนะหมาขี้เรื้อนวันหนึ่งเขาก็ยกคณะกันมาจะเข้าไปจับบังเอิญพระองค์ท่านตาเด็ดดาเนินออกมาพอดีจะทําอะไรจับหมาเขารับจับไปไหนเอาไปขังแล้วหมามันเป็นอะไรเป็นขี้เรื้อนแล้วหมาใครหมาวัด ท่านก็รับสั่งเลยไม่ต้องจับมันเรากับหมาเนี่ยเหมือนกันมาจากที่อื่นทั้งคู่แล้วก็มาอาศัยอยู่วัดชะตากรรมของเรากับหมาเนี่ยเหมือนกันเลยและพวกเธอเนี่ยไล่จับหมาขี้เรือนรู้ไหมหมัวแต่ไล่จับหมาขี้เรือนข้างนอกขี้เรือนในใจเนี่ย จับออกซะบ้างสิพูดเสร็จทุกคนก็อึง้งกี่เรืนในใจตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครไปไร่จับหมาที่วัดอีกพระองค์มองเห็นธรรมะแม้กระทั่งในหมาที่เรือนน่ะเปรียบเทียบกันแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดต่างก็ซัตย์เซผนจรมาพระองค์ท่านก็เป็นคนต่างจังหวัดหมาก็มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหม ปริชาญาอันสูงบางครั้งอาจจะมาจากตัวอย่างที่ธรรมดาสามัญ น, นี่คนมีปัญญาจะต้องเห็นธรรมะอยู่ในทุกแห่งทุกคนอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเป้าหมายของเราคือมาสแสวงหาธรรมะให้พบธรรมะอยู่ไหนละ่ะอยู่ที่ตาพวกเราละอยู่ที่หูพวกเราละอยู่ที่กายของพวกเราเนี่ย ตาหูใจหมวกลิ้นกายใจอันนี้คืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ธรรมะที่ดีที่สุดนะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งผู้รู้เราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราไม่ศึกษาถามว่าจะศึกษาที่ไหนก็ศึกษาลงไปที่ตาหูใจหมวกลิ้นกายใจนั่นแหละนะเรียนลงไปที่ตาเรียนลงไปที่หูเรียนลงไปที่จมกูกเรียนลงไปที่ลิน้น เรียนลงไปที่กายและเรียนลงไปที่ใจถ้าเราเรียนเป็นนะอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี่คือสื่อการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ถ้าเราเรียนไม่เป็นเราก็จะเที่ยวเหาะไปทุกแข่งทุกคนเลยเนาะร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนะ้ําเขาว่ามีครูบาอาจารย์ดีที่ไหนไไนะ ก, ก, ก, ก, ก็ไปไปนะสกสกสกไป ไปกับเขาทุกแห่งทุกคนบางทีทำงานดีๆอยู่แล้วเพื่อมาชวนไปวัดกลับออกมาเลยเพี้ยนเลยเ <c> พ <oughs> <c oughs> <ๆ c oughs>อยู่ดีๆมาครึ่งชีวิตแล้ว <c oughs> ปกติดีทุกอย่าง <c oughs> พอมัวไปหาครูบาอาจารย์กลับมาเพี้ยน <h ans es> หาไม่เป็นก็ไม่ได้นะครูบาอาจารย์เนี่นะ <s ummer> สำคัญมาก <c oughs> <ๆ c oughs>เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาหาธรรมเราก็รู้ว่าธรรมอยู่ไหนธรรมมีอยู่ในที่ทั่วไปทั้งในตัวเราและในสีแ่แวดล้อม ทำมีอยู่ทุกหอนทุกแห่งอะไรละ่ะคืออุปรกรณ์ที่จะทำให้เราได้ธรรมะกลับมาสติปัญญาสติจะทำให้เราเป็นคนที่ละเมยดละไมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางต่างหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสติจับเอาทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางต่างหูจมูกลิ้นกายใจไว้เป็นอารมณ์สำหรับศึกษาปัญญาเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบและพิพจิตรณา<อ>ก็จะได้ธรรมะออกมา เช่นถ้ามีคนด่าเราปั้งสติตะหนักรู้ทันทีว่าโอ้นี่เสียงด่าสติตะหนักรู้แล้วปัญญาทําการทันควันว่าการถูกด่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกไหมไม่ปรุงนะพอไม่ปรุงปุ๊บจบเลยนะถ้าสติมาแล้วปัญญาเกิดทุกหลุดพวจฉนั้นในทางธรรมะปฏิบัติท่านจึงบอกว่าทุกนะั้นหยุดจงสัมผัสเท่านั้นเองสัมผัสภาษาธรรมะเรียกว่าผัสสะหรือตัวคอนแทก ตาเห็นรูปปังถ้ามีสติไม่มีปัญหาแต่ถ้าขาดสติปุ๊บอืมอ ม, อ ม, อ ม, มันเห็นทางตานะมันเข้าไปในใจเรียบร้อยแล้วนะหูฟังเสียงปุ๊บถ้ามีสติไม่มีปัญหาแต่ถ้าขาดสติปุ๊บปรุงเลยปรุงทุกเลยเห็นไหมตาหูจมวกลิ้นกายใจนี่เองเป็นประตูไปสู่ความสุขและความทุกข์ทุกทันทีถ้าสติปัญญาไม่ทางานสุข ทันทีท้าสติและปัญญาทำงานท่านอาจารย์ดอรอดอง์ท่านคุยกับตามาบ่อยท่านก็เป็นนักเทศคนหนึ่งนะไหมจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้ชีวิตท่านก็เป็นพระไปแล้วครึ่งคนนะท่านเล่าว่าผมมีวิธีรับมือกับคําด่าของคนเพราะมีอยู่ปีหนึ่งผมไปพูดว่าสึนามิจะเข้าคนจังหวัดนั้นโกรธผมทั้งจังหวัดยกป้ายห้ามดอรอดองค์เยียบทั้งจังหวัด แล้วก็ฟ้องผมห้าร้อยล้านผมก็บอกว่าฟ้องเธอะนี่บรรดาฟ้องก็ฟ้องเธอห้าร้อยล้านแต่ผมไม่มีใจหรอกแต่ผมก็ไม่หนีด้วยผมก็อยู่ตรงนี้แหละอาจาก็ถามแล้วอาจารย์รับมือคําด่ายัางไงด่าระดับจังหวัดคือคือปิดจังหวัดด่าเลยละ่ะท่านก็บอกว่าผมไม่คิดอะไรมากในฐานะ น, นักวิทยาศาสต ร, ร์ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเดินทางของคลื่นเสียง แล้วมากระทบประสาทหูไม่มีอะไรพอไม่ปรุงแต่งก็จบ ก, การเดินทางของคลื่นชนิดหนึ่งเท่านั้นนี่นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์คำด่าจะเหลือแต่คลื่นท่านบอกว่าผมเลยไม่ทุกซึ่งมันก็จริงนะใช่ไหมแต่ก็คลื่นเสียงที่มันไหลามาเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงเนะมันด่าฉันมันเป็นใครมันด่าฉันแล้วมันรู้ไ่ว่าคนอย่างฉันีน่ใคร นะถ้ามันปรุงอย่างนี้แล้วก็โอ้ยหนักเลยนะเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คาว่าปรุงแต่งปรุงแต่ ง, ง, ตงคือประเด็นมันมีนิดเดียวอะ่ะแต่เราปรุงด้วยแต่งด้วยอะ่ะทุกไหมทั้งปรุงทั้งแต่งแล้วก็โอ้ยทีนี้แล้วนะหนักเลยพวกเร า, ลาหลายคนทำตัวเป็นพ่อครัวปรุงความทุกข์ให้ตัวเองประเด็นมีนิดเดียวปรุงให้ตัวเองทุกฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าไปปรุงให้ตัวเองทุก การมาปฏิบัติธรรมคือการมาฝึกเจริญสติเพื่อตัดขั้นตอนการปรุงแต่งไม่ให้เราปรุงแต่งให้ตัวเองทุกข์พอสติมาทันปับ๊บเราสามารถตัดฉับลงไปสติจึงเป็นดังหนึ่งเซฟตี้คัดตัดความทุกข์นะมันง่ายมากมันเป็นเซฟตี้คัดตัดความทุกข์คนส่วนใหญ่ไม่ก้อยมีระบบเซฟตี้คัดในตัวนะกระสุนแห่งความทุกข์วิ่งมาน N ี o ่แอ็นอกรับ ปังรับไปเต็มๆหนึ่งนัดแล้วก็ปรุงต่อไปว่าคนอย่างฉันไม่น่าจะถูกยิงและมันมายิงฉันแสดงว่ามันไม่รู้จักฉันฉันต้องทำให้มันรู้จักฉันให้ดีกว่านี้อันนี้ก็เรียกว่านัดที่สองนี่เราลั่นใส่ตัวเองนัดแรกมาจากคนอื่นนัดที่สองมาจากตัวเองปรุงให้ตัวเองทุก เห็นไหมแต่ถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเราม่เราไม่ต้องปลกอาตมาเคยเล่าเรื่องของตัวเองบ่อยๆว่าครั้งหนึ่งอาตมาซักจีวร อ, อยู่ที่วัดกุฏิอาตมาเนี่ยมีสองชั้นอาตมาไม่ได้ซักจีวรมีพระรูปหนึ่งสักจีวร อ, อยู่ข้างล่างอาตมาน่ะนั่งพิมพ์งานอยู่แล้วก็เมื่อยจึงจึงหยิบเอาน้ํามาขวดหนึ่งเป็นน้ําใส่แก้วแล้วก็จิบแล้วก็เดินออกมา ตรงบันไดกดเตินน้ำมันเหลือก็เทลงไปข้างล่างไม่ทันได้มองว่าข้างล่างมีพระรูปหนึ่งท่านสักจีวร อ, อยู่น้ำเฉียบหัวท่านลงไปท่านก็หันมหาธรรมาท่านตะโกนเลยทำอย่างงี้แน่ใช่มหมฮะท่านแน่ลงมาเลย <c oughs> นาทีนั้นสติอดมามาเลยสติมาปั๊บปัญญาบอกเลย ปัญญาบอกให้เรารับเมืออาดา ม, มาก็ตะโกนลงไปขอโทษนะครับวันนี้ผมยังไม่แน่พระรูปนั้นก็เลยเย็นล ง, งนึกวันแน่เห็นไหมถ้าตาแมาบอกเออกูแน่วันนั้นพระโชคกันแน่เห็นไหมเนะี่ยสติกับปัญญาเนี่ยมันตัดฉับเลยนะคุณโยมเห็นไหมคนเราเนี่ยสร้างความทุกข์ให้เองนะบครั้งไม่ท้วนเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันกิเลสในใจเราคิดว่าเราแน่ เมื่อหลายเดือนก่อนลูกศิษย์ส่งคลิปคลิปหนึ่งให้อัตอมาดูเป็นคลิปบนทางด่วนผู้หญิงสองคนแต่งตัวดีมากลงไปตะลุมบอลกันยมเห็นไหมเอารายการสรยุศสรยุศตั้งชื่อว่าจอดลงมาตบเ <c oughs> นื่นเป็นเพราะว่าคนหนึ่งไปท้าไทยคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งแน่ขับรถปากกันไปปาดกันมาปากกันมาปาดกันไปอย่างเงี้ยเนี่ย คนแรกท้าทายคนที่สองปรุงแต่งมันไม่รู้จักฉันฉันเนี่มันเป็นตัวทุกข์เลยนะตัวกูของกูเนี่ยนะมันมาขับรถปาดหน้าฉันคุณโยมรู้ไหมรถสองคันที่คนนั่งนี่ยมันเคยมีปัญหาไหมนะระหว่างรถกับรถมันเคยทะเลาะกันไหมตัวยูท้ากับเบนซ์มันจะปาดกันยังไงเนี่ยโยมเคยเห็นรถสองคันสองยี่ห้อทะเลาะกันไหมไม่มีปัญหาตัวมีปัญหาคือใคร คนที่อยู่ข้างไหนพราะวัตถุมันไม่ปรุงแต่งและใครปรุงแต่งคนคนมันปรุงแต่งนี่ล่ละฉะนั้นตัวปรุงแต่งนั่นเองที่ทำให้คนหลงลืมสถานภาพทางสังคมจอแล้วจอดรถลงไปตกกันอย่างไม่ไอายใครเห็นด้วยยังพอคนขาดรร ม, มากแล้วมันน่าสงสารนะ่ะครั้งหนัง่งอารมภาพไปรถติดอยู่บนทางด่วน ทอตามองไปข้างหน้าก็โอ้โหติดกันเป็นแพรเลยนะแท็กซี่ก็บีบแตรบีเสีงดังนั่นเลยนะเขาหงุงิดมาจากไหนไม่รู้ล่ะอาตมาสกิจยมยมอย่าเบียบเบียสิทำไมเขายมบีบแตรเนี่ยเขาจอดรถลงมามองอะ่ะแล้วเขาเห็นหน้าอาตมาเด่นก็่ายมยม <c oughs> ยมนี่ไม่มีใครรู้จักหรอกยมไม่เห็นแล้วก็มองอาตมานะเดี๋ยวเขาก็หาว่าท่านวอลสงเลยอาตมาจะงานเข้า ไม่ต้องบีบนะเขาก็เลยหยุดอยู่แล้วก็มามองอาดามาถ้าพระอาจารย์รีบนะอาจารย์จะลงเดินก็ได้นะผมไม่มีปัญหาอา้าวมันหาเรื่องคนข้างนอกไม่ได้มันมาหาเรื่องคนในนะอาจารย์บอกโยมอาดามาไม่รีบอาดามาสามารถรอตรงนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้า พระรรมาาประเทศเสร็จแล้วโยมจะรอกับอรตมมามหมอย่าท้าผมนะถ้าท้าผมเอาจริงนะเอาสิโยมเรามารอกันเลยได้เอานั่นก็มารอกันเลยจี้จุดเขาถูกคนทีนี้เขาชอบท้าทายนะทีนี้เขาหันประเด็นมาอยู่ในรถแคบๆจบตรงนั้นเลยสักพักหนึ่งรถก็ไปเขาก็ไป แหนมนี่คือวิธีเบี่ยงอารมณ์แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพระอาจารย์ไม่มีสติไม่สามารถดึงเขาเข้ามาในรถได้นะคืออาตมาจํากัดจํากัดปัญหาให้จบในรถและระหว่างเราสองคนนะแต่ถ้าอาตมาลองทําอีกอย่างหนึ่งอาตมาไม่มีสตินะโยมบี่แค่นี้น้อยไปจัดหนักเลยโยมโยมเชื่อไม่อะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละเดชจะเจอลูกกระสุนทร่เขาให้นะเห็นไหม เพราะฉะนั้นตัวสตินี่มันยอดจริงๆนะถ้าใครมีตัวนี้เซฟตี้คัดเกิดแล้วในชีวิตดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ปรุงให้เดือดร้อนนี่เนะ้ก็เพราะว่าขาดสตินั่นแหละถ้าเรามีสติแล้วเราสามารถเบี่ยงสถานการณ์เบี่ยงอารมณ์เคลื่อนย้ายพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกพลิกแปลงสถานการณ์ที่เป็นวิกฤต ให้เป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือคุณูปการของสติและสตินี่เองเป็นแกนกลางของการปฏิบัติธรรมดังนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องหาก็ไม่มีอะไรมากหาสติให้พบถ้าสติมาปัญญาก็อยู่ตรงนั้นแหละมันยอมยกมือขึ้นมาอย่างนี้นี่หน้ามือใช่ไหมหลังมือมาไหมก็มาแล้วอ่ะ นี่สติกับปัญญาเข้ามาคู่กันนะถ้าสติมาปัญญาจะมาด้วยเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนาตัวนี้ก็คือพัฒนาสติในการพัฒนาสตินั้นเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ทําและกิจกรรมต่างๆก็จะทําให้ช้าลงเล็กนึอยเพราะว่าเวลาเราช้าลงเราจะสังเกตเห็นอะไรได้ชัดขึ้นอย่างโยมอยากจะดูวิวโยมต้องกับรถช้าๆใช่ไหม เราจะเห็นวิวที่สวยงามส่องข้างทางแต่ถ้าขับรถเร็ว เ, รวเห็นอะไรไหมนะมันเห็นแต่มันเก็บรายเลเียดอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นการทำอะไรช้าลงนิ่นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันกระตุ้นสติให้พวกเราพอมีสติแล้วเราจะได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตเยอะแยะมากมายแม้ว่าสิ่งนั้นคนทั่วไปจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สำหรับคนมีสติ สิ่งที่เลวร้ายจะกลายเป็นสิ่งที่ดีมันมีคนเยอะเหลือเกินที่ปรุงอะยมเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิดหนึ่งนะเห็นภาพภาพเดียวก็ปรุงได้ฟังคำพูดคำเดียวก็ปรุงเนี่ยคือปัญหาของมนุษย์คือเราเป็นนักปรุงความทุกข์เหมือนกับพร้ารูปหนึ่งได้ยินกิตติศัพ์ของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งว่าเป็นหลวงปู่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นหลวงปู่สายหลวงปู่มัน ท่นเป็นพระบวชใหม่อ๊ยถือเอาหลวงปู่ด้นะเป็นคนโดนใจเลยเป็นเดไอดอลของท่านบวชปับ๊บแบกกรดไปเลยไปขออยู่วัดนั้นเป้าหมายคือขอได้เห็นหลวงปู่ตัวเป็นๆสักครั้งหนึ่งลือมานานแล้วว่าหลวงปู่เป็นผู้มีเมตตาขนาดว้ไปพักที่ไหนเนี่ยดอกไม้ออกดอกนอกฤ ด, ดูกาลเลยแม่เมตตาขนาดนี้มันต้องเจอเป็นๆสักครั้งหนึ่งพอไปถึงปับ๊บพระลูกวัดไม่ให้ผม ค่ำแล้วตะวันใกล้จะตกเด่นโผลเพลงแล้วนี่มนท่านไปเข้ากุฏิก่อนท่านก็ไปเข้ากุฏิพอเข้ากุฏิปับท่านกนถอดจีวรแล้วก็เปิดหน้าต่างกุฏิเปิดหน้าต่างออกมาทอดตามองไปโอ้โหท้ายวัดเจอหลวงปู่พอดีหลวงปู่กําลังเดินเล่นอยู่ที่ท้ายวัดในสุมทุมพุ่มไม้โอ้โหัวใจท่านพองครับอกโอ้โหนี่ไงคนต้นแบบของเรา เป็นพระต้องเป็นให้ได ah, ้อย่างนี้เห็นหลวงปู่อยู่ใกลๆยกกล้องขึ้นมาจะถ่ายรูปชื่นชมมานานแล้วหลวงปู่มีเมตตาสูงยกกล้องขึ้นมาประทับกับสองตาท่านแดนนั่นเองกวางก็ลอดใต้ต้นม้ใหญ่ออกมาสี่ห้าตัวมาใกล้ๆหลวงปู่พระใหม่ยิ้มโอ้โหภาพภาพที่แสนงดงามกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วหลวงปู่ถือไม้เท้า กวางเดินเล็มหญ้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านท่านเตรียมกดชัตเตอร์พอกวางเดินเข้ามาใกล้เต็มที่ลุงปู่ยกไม้เท้าขึ้นมาฟาดหัวกวางเปรียงเปริงเปริ ง, รงสามตัวรวดกวางาเตลิดเปิดปืนหนีเข้าป่าหมดพระไม่กดชัตเตอร์ไม่ลงช็อกช็อกมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นช็อกกับชีวิตมาก หมดแล้วปฏิมาที่น่าเคารพที่สุดในชีวิตของท่านพังครืนลงมาจากเพ่งบูชาจบแล้วเก็บของกลับเย็นนั้นไม่ลาใครสักคนและจากนั้นท่านก็บวชมาอีกหลายปีและท่านเข้าใจผิดมาตลอดว่าหลวงปู่องค์นี้ไม่ใช่ตัวจริงที่ลือกันว่ามีแม่ตานั้นเป็นแค่การสร้างภาพเป็นแค่ จริงแล้วเลืไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงท่านเห็นกับตาแล้วว่าฟากหัวกวางเห็นชัดๆไม่ต้องถามใคร <c oughs> เข้าใจผิดหลวงปู่มานับสิบปีเป็นอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็มีงานงานหนึ่งง น, นพระราชทานเพลิงศบหรืออะไรสักอย่างหนึง่งหลวงปู่ท่านก็มางานและพระใหม่รูปนั้นก็มีเหตุให้ได้มางานด้วยโคจรมาพบกัน ญาติโ ย, ยมก็กระซิไปสิหลวงปู่มาด้วยท่านบอกใครจะไปก็ไปอาตมาคนหนึ่งลราไม่ไปหรอกไม่กราบให้เสียมือหรอกทำไมท่านคิดอย่างนี้จะไปฟังใครก็เห็นกับตาไม่เชื่อท่านไปเห็นอะไรมาแล้วท่านก็นเล่าชดชดชดชดว่าหลวงปู่ตีหัวกวางยังไงนี่หรือคือผู้เปี่ยมเมตตา ใครจะเชื่อเชื่อไปอดามาคนหนึ่งที่ไม่เชื่อหนังสือที่เขียนแก่ยวกับท่านทั้งหมดเนอะลูกศิษย์ทำให้ทั้งนั้นนะ่ะท่านน่ะเป็นจอมสร้างพระบังเ อ, อิญมีลูกศิษย์หลวงปู่อยู่ใกล้ๆน่ะเป็นพระรูปหนึ่งได้ยินเข้าจูงแขนเลยไปหาหลวงปู่มานี่มานี่อยากให้ท่านได้คุยกับหลวงปู่ท่านก็ไปอย่างเสียไม่ได้ก็ไปนั่งคุยหลวงปู่ถามว่าไงหลกเห็นคนมาบอกว่าเรา มีปัญหากับหลวงปู่แล้วลกูกจะว่าอย่างนั้นก็นได้ปัญหาอะไรลูกก็คนก็รู้ว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติมาแต่สิ่งที่ผมเห็นห่ะหลวงปู่ตีหัวกวางสามตัวรวดเลยเปรี้ยงเปรี้งเรี้ยเห็นกับตาจะให้ผมถามใครอีกไหมอ๋อเรื่องนั้นเอ ง, เรองหรือหลวงปู่นึกออกแล้ว คืออย่างนี้หรกวัดหลวงปู่เนี่ยนะมันติดป่ากวางมันลงมาบ่อยเหลือเกินแล้วแต่ละปีนี่เนะี่ยกวางเนี่ยมันถูกฆ่าชาวบ้านไปกินเนื้อหมดเอาไปขายด้วยเพราะกวางมันไม่กลัวคนกวางนี่มันใจดีมันเดินเข้ามาตามวัดเดินเข้าไปตามหมู่บ้านมันไม่รู้ว่าคนนะ่ยตัวอันตรายที่สุดปีหนึ่งหนึ่งถูกฆ่าทั้งหลายตัวชาวบ้านเห็นกวางมาอย่างงี้ก็ชอบ แต่หลวงปู่สงสารกวางหลวงปู่ไม่อยากให้กวางมันเดินเข้าไปหาคนเลยเพราะว่านั่นคือเดินเข้าไปหาพญามัจจุราชหลวงปู่จึงต้องการสอนกวางว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่าเข้าไปใกล้วันนั้นเลยจัดหนักให้กวางสามตัวตั้งแต่นั้นมากวางมันไม่ลงมาในหมู่บ้านอีกเลยเพราะมันกลัวคนนี่แหละคือสิ่งที่หลวงปูท่ทา ทั้งนั้นลูปปูก็ดีด้วยเมตตาสิก็ใช่สิอัะแล้วที่ผมเข้าใจอ่ะเรื่องของเธอ <c oughs> ยังเห็นด้ยังสแสดงออกเหมือนขาดเมตตาแต่ความจริงมีเมตตาไหมนั่นคือสุดยอดของความเมตตาแล้วและพระรูปนี้เข้าใจผิดเป็นสิบปี มีทัศนคติเชิงลบต่อพระสุปฏิปโนโนับสิบ ป, ปีทุกไหมทุกบาปไหมบาปและยังโพลธนาไปทั่วเอีกนะบาปมากเลยพอได้ฟังความจริงซึ่งเป็นดังหนึ่งหนังคนละม้วนท่าตกใจมากโอ้ยตายแล้วขอโทษขอพวยกราบแล้วกราบอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ได้บทเรียนแล้วว่าต้องไม่ตัดสินอะไรตื้นๆิน่งสําคัญไม่อาจเห็นด้วยตาจริงๆ ใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของนักปรุงแต่งความทุกข์นี่คือตัวอย่างของพ่อครัวหัวป่าความทุกข์ที่เห็นเหตุเพียงนี้เดียวแล้วก็ปรุงแต่งต่อใส่สีตีไข่จัดสรรตัวละครและคําพูดคาําอธิบายใส่ลงไปในนั้นครบแล้วใครทุกข์ปรุงเองก็ทุกข์เองนี่แหละคือปัญหาของพวกเราสติไม่มาปัญญาไม่เกิด เลยเตลิดเข้ารกเข้พงแล้วก็แบกความทุกข์ไปที่ไหนก็แบกความทุกข์นั่งอยู <myślę> ่ก <sm> ็เอาความทุกข์นั่งด้วยยืนอยู่ก็เอาความทุกข์ยืนด้วยกินอยู่ก็เอาความทุกข์มันกินด้วยเวลาเข้านอนก็เอาความทุกข์เข้านอนด้วยขับรถก็เอาความทุกข์ขับรถด้วยไปที่ไหนก็มีความทุกข์เป็นสหายคนสนิททั้งๆในความทุกข์นั้นมันไม่ได้อยากอยู่กับเราสักนิดนึงแค่ปล่อยเขาเข้าไป แต่พอเราไม่รู้เท่าทั น, นกลไกของกิเลสไม่รู้เท่าทั น, นกลไกของจิตเราก็จึงหลงผิดไปเทีท่ยวแบกทุกข์ไปทุกหนทุกข์แห้งฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไหมายความว่าอยู่กับวันนี้อยู่กับชั่วโมงนี้หรืออยู่กับนาทีนี้แต่คำ ว, ว่าอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าอยู่กับสิ่งนี้ อยู่กับสิ่งนี้อะไรค so ือสิ okay, ่งน um, <t aste hai> ี sí. ้สิ ux, ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราสดๆณปัจจุบันขณะเช่นฟังอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่ฟังคิดอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่คิดเห็นอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่เห็นรู้อยู่ก็อยู่กับสิ่งที่รู้สัมผัสอยู่ก็อยู่กับสิ่งที่สัมผัสตาดูหูฟังลิ้นลิ้มรส จมูกดมกลิ่นกายสัมผัสจิตใจครุ้นคำนึงตระหนันหกรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่คืออยู่กับปัจจุบันคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะอะไรมันไม่ได้ปรุมเห็นไหมนี่คือความหมายของอยู่กับปัจจุบันนะคนที่อยู่กับปัจจุบันไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะมันไม่ทันได้ปรุมเห็นปุ๊บก็รู้ขึ้นมาซะก่อน่ะ ไม่ทันได้ปรุงเห็นรูปสวยก็รู้ว่าอ๋อรูปสวยมันรู้จิตมันรู้ซะ ก, ก่อนมันเลยไม่ทันได้ปรุงแต่บางคนเห็นรูปสวยปุ๊บนั่งดูโทรทัศน์อยู่ดีๆโทรศัพท์รุ่นใหม่เปิดตัวพอดีเราเห็นปุ๊บอืมอ้มนี่มันสุดยอดนวัตรกรรมต้องไปจองเปิดขายเที่ยงวันตีสามไปแล้วไปทำไมอะไรมันดึงไปก็เพราะเห็นไง เห็นปุ๊บสติมาไม่ทันเป็นไงปรุงพอปรุงปุ๊บมันก็สั่งให้กายทำงานเลยไปจองเลยไปนอนรอเลยเห็นไหมเนี่ยมันดึงเราออกจากบ้านตอนไหนเรารู้ตัวไหมมันสั่งเราไปถอนเงินเรารู้ตัวไหมมันสั่งเราไปจองที่เรารู้ตัวไหมในตัวเรานี่แหละมันมีกิเลสผู้บังคับบัญชาอยู่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราเสร็จมันทุกทีมันยึดอำนาจเราแล้วมันก็สั่งงานเรา มันเรียกเราเข้ารายงานตัวเมื่อไหร่เสร็จมันทุกครั้งใช่ไหมถ้ามันสั่งเธอต้องดูมันยอดมากนี่เราก็ต้องดูตามมันสั่งนะมันสั่งให้เราฟังเราก็ต้องฟังมันมันสั่งให้เรากินเราก็ต้องกินมันสั่งให้เราสัมผัสเราก็สัมผัสมันสั่งให้เราคิดเราก็คิดเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถเดินสวนทางมันได้ อตอมาขอใช้คาว่าหักหน้ากิเลสมันสั่งให้เราทาเราไม่ทาตามมันได้ไหมลองดูบางครั้งมันสั่งขึ้นมาปับ๊บถ้าสติมานะเรารู้สมมติ น, นั่งอยู่ตรงนี้ดีๆแล้วจู่ๆ จ, จ, จิตมันแวบไปคิดพอมันแวบไปคิดเราไม่ตามได้ไหมถ้าเราไม่ตามเราดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจบตรงนั้นความทุกข์จริงๆนนอายุสั้นมากถ้าเรามีสติ แต่พอเราไม่มีสติความทุกข์จะอายุยืนคนขาดสติคือคนที่ต่อวีซ่าให้ความทุกข์ให้มันได้อยู่กับเรายัางยาวนานต่อไปฉะนั้นเราต้องมีสติพอเราไม่ีสติเราก็ไม่ต้องต่ออายุให้ความทุกข์ความทุกข์จริงๆนั้นมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วมันดับอะไรที่เกิดแล้วมันก็ดับตรงนั้นแหละแต่ถามว่าทาไมมันยัง ทำให้เราทุกก็เพราะว่าเราเหล่อเลี้ยงมันเอาไว้ด้วยการหลุดเข้าไปในโลกของการปรุงแต่งด้วยการหลุดเข้าไปในโลกของความคิดคิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็หลุดเข้าไปถูกมันชักถูกมันลากจะเปลี่ยบไปนั้นความคิดก็เหมือนคาวบอยขึ้นควบขี่อยู่บนหลังมา้ามีเชือกเส้นหนึ่งนะมัดจนไว้พอควบมา้า ก็ลากเอาโจนคนนั้นตามไปทุกห่นทุกแห่งเรานี่แหละเป็นคนที่ถูกข่าวบอยแห่งความคิดมัดโดยเชือกคือการลืมตัวหลุดเข้าไปในโลกของความคิดแล้วเราก็ทุกทุกรนทุรายแทบลมแทบตายเพราะถูกข่าวบอยแห่งความคิดเนี่ยชักลากเอาแต่ถ้าเรามีสติปับ๊บเราตัดฉับตรงกลางเชือกนั้นเชือกขาด เขาใบามีอยู่ก็ไม่มีผลนะเพราะเชื่อมมอนขาแล้วมันเชื่อมกันไม่ติดตัวสตินั่นเองทํำนั้นที่เป็นมิตรที่มาตัดมากัน้นกระแสตรงนั้นทําให้กระบวนการปรุงทุกนั้นมันหดสั้นลงหรือมันหายไปฉะนั้นในธรรมระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะอย่าอยู่กับอนาคตอย่าอยู่กับอดีตคนปฏิบัติธรรมที่ดีนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีอนาคต คนส่นใจนะ่นียอยากมีอนาคตกันมากถ้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีอนาคตเลยมีอนาคตะตัวทุกข์เลยเพราะมันทําให้คุณปรุงแต่งเหลือเกินอันนี้ต้องฟังให้ดีนะมันเป็นภาษาธรรมอย่าไปปนเป็นภาษาคนนะพูดภาษาธรรมนะอย่าไปยำเป็นภาษาคนไม่งั้นจะทะเลาะกันมีคนมาทะเลาะธรรมาหลายครั้งแล้วฮะว่าธรรมมาสอนเพียนเพียนจริงๆเราสอนเขาเรานะถูกแต่เขาฟังไม่จบ ในภาษาธรรมนะท่านบอกว่าอย่ามีอนาคตอย่าเมอดิตคําว่าอย่ามีอนาคตอย่าเมอดิตก็หมายความว่าอย่าหลุดเข้าไปในโลกของความคิดที่ดึงไปในอนาคตหรือดึงไปในอดีตให้อยู่กับปัจจุบันคืออยู่ที่ในและเดี๋ยวนี้กับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นสดๆทางตาหูจมูกเลนกายใจแต่นางรู้ตามดูตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่พอเรารู้อยู่เราจะไม่หลุดเข้าไปปรุงพอไม่หลุดเข้าไปปรุงเราก็เป็นเท่าที่เป็น เราไม่เป็นอะไรมากไปกว่าความเป็นจริงนะเรียกว่าเป็นแค่ผู้ดูและไม่เป็นผู้เป็นนะไม่เป็นอะไรและไม่เอาอะไรกิเลดมันจะชวนให้เราเป็นอะไรและชวนให้เราเอาอะไรตลอดนะใช่ไหมมันจะชวนให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาและมันก็ชวนให้เราเอาน่นเอานี้ตลอดเวลามันจะมีข้อเสนอมานาเสนอนะลดกระนำซัมเมอร์เซลให้เราตลอดเวลาชวนเราไปทาสิ่งนั้นชวนเราไปทาสิ่งนี้สราะ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันนะนอนอยู่บนเตียงยังร้องไห้เลยน้ำตาอยู่ข้างในนะมันปรุงจนไหลออกมาเลยมันเก่งไหมเนี่ยเนี่ยคือกิเลสมันเจี่ยวชาญและชํานาญขนาดนี้ฉะนั้นเราจึงต้องมีวิธีที่จะรับมือกับกิเลสตัวนี้ซึ่งก็คือกระบวนการการฝึกสตินั่นเองและเมื่อเราจะฝึกสตินั้นก็ฝึกลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเท่านั้นเองนะ ถ้าเรามีสติเราจะโชคดีทุกวันเป็นภาษาบาลีว่าสติมัตโตสถาพัฒน์ผู้มีสตินั้นโชคดีตลอดกาลฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็จึงขอฝากพวกเราเนาะเมื่อเราได้สมาทานสินแล้วก็ได้ฝึกสมาธิภาวนาฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะนำพาฝึกสติผ่านกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ปลายทางที่เดียวกัน หวังว่าจะให้เมล็ดพันธุ์แห่งสตินั้นงอกงามแล้วก็ผลิบานขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราทุกคนในช่วงนี้พระอาจารย์ก็ขอกล่าวทรมาปฏิสันฐานเป็นแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้และจากนี้เป็นต้นไปอีกสามวันเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกสติร่วมกันก็ขอให้พวกเราจงบักบานกับการปฏิบัติธรรมด้วยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิ โอชิราเมทีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านการุณายืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหลับตาลงยิ้มน้อ ย, อยที่ริมฝีปากผ่อนคลายกายใจให้สบายสบายต่อจากนี้ เราจะเจริญสมาธิภาวณาร่วมกันนะคะในเบื้องต้นขอให้สาธุชนทุกท่านกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าผ่อนคลาย หายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆตามสมควรแก่เวลานะคะ อยู่เคียงทางฉันนั่งให้ส บ, บายผ่อนคลายชีวิ Oh. Yeah.